นี้เป็นอีกตอนหนึ่งของนายสมัยผู้ร่วมสมาคมที่กุติคุณนบวัดระคังในสมัยได้เกิดรักผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนภาษาอังกฤษของนายสมัยและครูพยุงแต่ว่าทางบ้านของหญิงคนรักผู้มีฐานะดีได้เกิดความยุ่งยากหน้าหวั่นหวาดคล้ายกับจะมีพูดผีปีศาจเกิดสิงขึ้นในบ้านจึงทําให้นายสมัยของเราต้องเข้าไปพัวพันอยู่ด้วยอีกแล้วสี่คนที่รักพูดผีปีศาจมายุ่งกับผมอีก เกิดรักผู้หญิงคนนี้ขึ้นสักคนก็มีเรื่องยุ่งๆเกิดขึ้นทางบ้านของเธอเธอก็เดือดร้อนนักถ้าผมจะไม่เดือดร้อนไปกับเธอบ้างจะเรียกว่าผมเป็นคู่รักของเธอได้อย่างไรกันเล่าจริงๆนะสมัยฉันก็เกิดเป็นคนในยุคใหม่นี่เองไปๆมาๆจะต้องมาเชื่อว่าโลกนี้มีผีเหตุการณ์ที่บ้านมันยุ่งยากแล้วก็มีท่าทางว่าจะเกิดพูดผีปีศาจขึ้น ก่อนมาเมื่อสี่ยังเด็กๆอยู่ก็ไม่เคยมีอะไรแปลกๆ แ, แบบนี้มันทำให้สี่รู้สึกหวาดกลัวยังไงก็ไม่รู้อะไปว่ามันจะเป็นพูดผีปีศาจจริงๆประภาสีพูดกับผมมีอย่างไรที่คุณสี่คิดว่าเรื่องทั้งหมดจะเกี่ยวกับผีสางเล่าให้ผมฟังได้ไหมเธอเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้แล้วก็ถอนหายใจยาวก่อนจะพูดมีมากมายเลยล่ะสมัยที่บ้านสีนะ่ะมีพื้นที่กว้างขวาง มีต้นไม้ใหญ่ชนิดตกผลมากต้นแทบจะเป็นสวนหรือป่าไม้ย่อมๆเชีละ่ะแต่ว่าก่อนเก่านี้นะสมัยที่เนี่ยมันเคยร่มรื่นแล้วก็ร่มเย็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวเจ้าหมู่ไม้ใหญ่ๆ ห, หรือว่าต้นใหญ่ๆเนี่ยมันคล้ายกับว่ามันจะเป็นที่สิงสู่ของพวกพูดผีปีศาจไปซะแล้วมันเป็นยังไงกันน่ะ ก็ะพ่อของสีมีจดหมายมาบอกสีบอกว่าเจ้าดงไม้เหล่านี้เวลากลางคืนเนี่ยมันจะยวบย่าบเกลียวกราวโครมครามเหมือนมีพายุใหญ่แทบจะหักลงเลย ท, ทั้งทั้งที่ต้นอื่นก็ไม่มีแบบนี้เลยนะเสียงอะไรต่อมีอะไรร่วงหล่นตุบตับไปทั่วลานบ้านพนานวันเข้าคนงานที่เคยอยู่ในบ้านมากคนด้วยกันก็เกิดกลัวพูดผีปีศาจเหล่าลูกเล็กเด็กแดงก็ชักจะไม่สบายใจก็เลยขอย้ายออกจากบ้านไปกันหมดนะคะ ขอไปอยู่ที่อื่นจะมาทํางานก็เฉพาะเวลากลางวันเท่านั้นบ้านเราก็เลยเหลือคนเฉพาะที่อยู่บนเรือนเพียง78คนเอมันกลายเป็นกรียุกแล้วนะแบบเนี้ยนั่นนะสิคะกลางคืนก็คล้ายกับจะมีพูดผีเดินกันให้เต็มบ้านเลยล่คะค่ะทุกคนเนี่ยหวาดกลัวนอนกันไม่หลับสีรู้เรื่องเข้าก็เลยกลับไปบ้านแล้วก็นอนค้าง 2- อสมคืนเพื่อรอดูเหตุการณ์ให้แน่กับตาตัวเอง ก็พบว่าที่บ้านเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวจริงๆนะคะมันเงียบเหงายิ่งตอนเมื่อตกเวลาชิงพลบนะพอค่า ม, มากเข้าแผ่นดินกระเทือนเหมือนมีคนมากคนเดินบ้างเต้นบ้างกึกก้องหมูหมานี่เห่าหอนกันเกลียวกิ่งไม้ย่บยาบร่วมกล้าเหมือนจะหักโคน่นคนบนบ้านทั้งหมดเนี่ยขวัญเสียไม่มีใครกล้าลงมาดูเลยล่ะคะ่ะพอเช้าขึ้นก้อนดินแล้วก็ก้อนอิดเนี่ยกลาดเกลื่อนไปทั่วแผ่นดินนี่แหละ ที่สี่ได้ไปเห็นมากับตาตัวเองแล้วเมื่อรู้ก็รู้กันอยู่แก่ใจว่าทั้งหมดไม่ได้ไปทำให้มันเกิดแล้วใครเป็นผู้ที่ไปกระทําสิ่งเหล่านั้นล่ะเอแปลกอยู่นะผมพูดพร้อมกับครางทั้งพ่อและก็แม่อีกพวกญาติที่อยู่ด้วยกันก็สงสัยว่าญาติอีกกลุ่มนึงซึ่งทำการค้าแบบเดียวกับเราจะหาหมอผีมาทาพิธีแกล้งเราหรือเปล่าเพื่อที่จะให้มีอันเป็นไปอย่างนั้น ประพาสีพูดแล้วก็มองตาผมนิ่งอยู่เพื่อฟังความเห็นของผมว่าจะเป็นในแง่ใดผมถอนใจใหญ่อย่างยุ่งยากใจยังตัดสินใจไม่ถูกว่าเหตุการณ์นั้นมันมาจากอะไรกันแน่แล้วญาติอีกกลุ่มหนึ่งที่เราสงสัยเขานั้นอะ่ะเขาอยู่ที่ไหนล่ะครับอ๋อก็อยู่ใกล้ๆบ้านเรานั่นแหละค่ะกลุ่มเขาไม่ลงรอยกับกลุ่มเรามานานแล้วสาเหตุก็เกิดมาจากการค้าขัดกัน เดี๋ยนี้ถ้าเขาเห็นหน้าพวกเรานะเขาก็จะพากันยิ้มเยาะซุบซิบแล้วก็หวัวเราะกันเราก็เลยปักใจว่าเขาเนี่ยเยาะเยะ้ยแล้วก็สมนำหน้าเราสีหน้าของเธอชัดแจ้งว่าใจของเธอเชื่ออย่างที่พูดมันก็น่าคิดเหมือนกันนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ เดี๋ยวสมัยจะลองปรึกษากับคุณนพดูว่ามันจะพอมีวิธีหรือว่าพอมีลู่ทางอะไรมากน้อยแค่ไหนกับเรื่องนี้ดีสิคะสมัยให้คุณนพท่านวิเคราะห์ดูให้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราทั้งหมดก็เพียงแค่สงสัยไอย้ความวิบัติน่ะมันวิบัติแน่ละแต่ว่ามันจะมาจากอะไรกันประพาสีพูดในเชิงเห็นด้วย หลังจากที่โรงเรียนเลิกแล้วผมกลับมาวัดก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณนบฟังอย่างถี่ถ้วนและที่ประชุมของเรามีคุณนบครูพยุงในมั่นก็เห็นว่าผมควรจะไปค้างคืนที่บ้านประพาสีสักคืนสองคืนไปดูด้วยตาตนเองอย่างแจ่มแจ้งแล้วกลับมาประชุมกันอีกทีถ้ามันเป็นไปนด้วยอำนาจของผีจริงๆพวกเราก็พอจะเล่นงานกับเขาได้พอถึงวันเสาร์ผมก็บุกไปนคร น, นายกกับประภาสี บ้านของเธออยู่ห่างเมืองไปหน่อยนึงผมเข้าไปกราบเคารพบิดาแล้วก็มารดาของเธอพร้อมกับอธิบายความประสงค์ที่จะเข้าไปสังเกตการความวิบัติต่างๆที่มีขึ้นในบ้านนั้นก็เป็นที่เข้าใจกันถ้าเป็นไปด้วยอำนาจของพูดผีปีศาจ ต, ตามที่สงสยัยว่าจะมีผู้มากลั่นแกล้งให้เกิดทางผมก็จะขอเข้าไปแก้ไขแก้ลำตามการ ผมได้เดินลงไปสำรวจในบริเวณบ้านที่กว้างใหญ่โดยมีญาติประภาษีนำเดินดูจนทั่วบ้านเริ่มต้นตั้งแต่รั้วบ้านด้านหน้าตั้งแต่ชิดถนนรถเดินด้านซ้ายมือชิดรั้วกั้นเขตบ้านมีโรงใหญ่เป็นช้างเก็บข้าวเปลือกและก็มีห้องแถวอีกมากมายห้องเป็นที่พักของคนงาน แต่ว่าเวลานั้นปิดเงียบทุกห้องเพราะว่าคนงานกลัวผีหนีไปอยู่ที่อื่นกันหมดก็เลยทำให้เงียบน่ากลัวมีถนนที่เป็นทางรถยนต์สำหรับบรรทุกข้าเปลือกส่งขายตามตรงสีทั่วไปด้านหนึ่งตรงไปออกประตูใหญ่ที่ติดกับถนนหลวงและอีกด้านหนึ่งก็สร้างย้อนถอยหลังไปลงหลังบ้านที่เป็นชายน้ำสำหรับให้คนงานหาบข้าวขึ้นจากเรือมาส่งข้าที่ยุ้งฉาง ที่ประตูด้านชายคลองนั้นมีคนชราผัวเมียเฝ้าประตูอยู่โดยมีบ้านหลังเล็กๆให้อาศัยครั้นแล้วผมก็เลี้ยวเข้าด้านหมู่ไม้ที่ใหญ่ครึ้มเหมือนป่ามีมะม่วงกระท้อนลำไยมะไฟแล้วก็ต้นชมพู่กลางวันเป็นที่ร่มเย็นน่าสบายถ้ากลางคืนก็น่ากลัวแน่นอนต้องมืดครึ้มไปทั่วบริเวณนั้นข้างล่างไม่มีคนอยู่เลยมีเพียงแค่ทางหลังบ้านเท่านั้น ที่เป็นคนชราสองผัวเมียเท่านั้นคนบนบ้าน 7-8 คนค่ำแล้วก็ไม่มีใครลงดินเลยต่างกลัวความวิบัติกันทุกคนเรื่องของขโมยนั้นพอพึ่งสุนัขในบ้านได้มีมากตัวก็ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นผมขอเลือกที่นอนทางเฉลียงบ้านเป็นที่โลง่งพอที่จะดูการเคลื่อนไหวต่างๆได้ถนัดผมจะนำเหตุการณ์ที่เห็นไปรายงานคุณ น, นบให้ถี่ถ้วน นับแต่พระอาทิตย์ตกดินแล้วข้างล่างก็เงียบเสียงคนมีแต่เสียงสุนัขวิ่งเล่นหยอกล้อกันอยู่ในคืนนั้นผมสะดุ้งใจอยู่หลายตอนตอนแรกมีเสียงอะไรร้องวิเวกเย็นโหยหวนในหมู่ไม้มืดจะเป็นเสียงสัตว์อะไรยังไงไม่แน่แต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นเสียงสัตว์ประเภทอีเห็นหรือชมดเพราะว่าพวกนี้ชอบอาศัยคบไม้อยู่ในเวลาค่ํามืดเพราะว่าในบ้านนี้หลายแห่งที่ห่างออกไปยังเป็นป่าดงไม้รกอยู่ เป็นธรรมดาของชนบทที่ยังไม่เรียบแล้วก็เตียนไปอย่างกรุงเทพมีบ้างที่เป็นบ้านคนแล้วก็มีบ้างที่เป็นป่าไม้สลับกันอยู่เสียงต่างๆย่อมมาจากสัตว์นกกลางคืนก็หลายชนิดนกแสกเนี่ยร้องกรีดหัวใจผ่านไปบ้างนกกุ๊กร้องอยู่บนต้นไม้สูงสะท้านใจแต่อีกตอนหนึ่งของคืนนั้นตัวของผมเองก็เกิดได้พบกับความวิบัติที่เกิดขึ้นในบ้าน คือคล้ายๆจะเป็นพายุปั่นป่วนกิ่งไม้ในบ้านที่เป็นป่านั้นเกลียวกราวสู้ซ่าเหมือนจะหักโคน่นพร้อมกับเสียงดินเสียงทรายก้อนเล็กๆก้อนใหญ่ๆร่วงกระาวไปทั่วบ้านสุนัข ก, ก็เห่ากันเซงแซ่อย่างตก อ, อกตกใจแล้วก็เลยหอนแล้วก็เลยเห่าอย่างหน้าขนลุกขนพองบิดาของประภาสีห่วงผมว่าจะตกใจกลัวก็เลยเดินออกมาพบกับผมความวิบัติได้เป็นไปอีกหน่อยแล้วก็หยุดเงียบไปผมจึงได้หลับไปได้ แต่พอรุ่งเช้าก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นคือมีตำรวจมาเชิญเจ้าบ้านไปที่สถานีตำรวจโดยมีเจ้าทุกหลายคนบอกว่าเป็นคนเดินรถเดินถนนเมื่อคืนนี้ถูกก้อนดินแข็งๆแล้วก็ก้อนอิดขว้างออกไปจากบ้านของเราถูกหัวเขาแตกแล้วก็ปูดปนไปสองคนแล้วก็ก้อนอิดก้อนดินก็ร่วงหล่นอยู่ที่ถนนนั้นมากมายอยู่ซึ่งนับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในคืนที่ผมไปนอนค้างนั่นเองพ่อแม่ของประภาสีตกใจมาก ต่างพากันไปที่สถานีตารวจผมก็ไปกับเขาเพื่อให้การเป็นพยานตามที่รู้เห็นเป็นการสอบสวนที่ยุ่งยากกับทางตารวจนะักจะว่าเหตุเกิดเพราะพายุแต่พายุก็ไม่มีแม้จะมีจริงพายุอะไรจะพัดเอาดินเอาทรายแล้วก็เอาก้อนอิดไปทำกับคนเดินถนนได้พยานทั้งหมดก็เป็นคนในบ้านเดียวกันทั้งนั้นยากจะฟังเป็นหลักฐานแน่นอนตารวจต้องมาตรวจที่บ้านแล้วก็พบ กับพวกก้อนอิดก้อนดินแข็งๆร่วงเกลื่อนลานบ้านทั้งกิ่งไม้ใบไม้เหล่านั้นก็แสดงว่าเป็นอาการของพายุจริงๆสอบสวนคนในบ้านทั้งหมดก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกคนอยู่บนบ้านไม่มีใครลงไปข้างล่างเลยต่แก่ยายแก่ทายบ้านก็บอกว่ากลัวพายุปิดประตูอยู่ในห้องไม่กล้าออกใครล่ะครับจะพูดกับตารวจว่าความวิบัตินั้นเกิดจากการกระทาของปีศาจจึงอึกอักไปตามๆกัน ตำรวจเองก็ประหลาดใจพยานสิ่งของมันบอกว่ามีพายุแต่พายุใกล้เคียงก็ไม่มีจะเอามาช่วยเป็นพยานได้เจ้าบ้านก็เลยต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าทําขวัญแก่เจ้าทุกไปเหตุนี้ก็เลยเกิดเป็นที่อื้อเฉาวในย่านใกล้เคียงนั้นทั้งหมดมีผู้คนมาดูก้อนอิดก้อนดินกันหลายกลุ่มแล้วก็พูดจากันไปต่างๆนาะนะนะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าญาติประภาสีกลุ่มหนึ่งจะไม่หัวเราะกันกากไป ถ้าทางเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำให้เกิดขึ้นตํารวจยังจำได้อีกว่าไม่กี่คืนมาบ้านหลังนี้ถูกกล่าวหาจากชาวเรือที่จอดอยู่ชายฝั่งบอกว่ามีก้อนอิฐ ก, ก้อนดินคว้างไปจากในบ้านมากมายแต่บังเอิญไม่มีใครเป็นอันตรายบิดาของประพาสีปวดเสียนเวียนกล้าวรับรองกับตํารวจว่าจะระวังที่สุดไม่ให้มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นอีกแต่ก็แจ้งกับตารวจไป ตำรวจบอกว่าที่บ้านมันมีอันเป็นแบบนี้มาหลายคืนแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรก็เลยขอร้องตำรวจให้มาซุ่มดูเหตุการณ์สักสองสาคนโดยเจ้าบ้านจะมีเงินสมนาคุณบ้างผมสังเกตการยืนโรงอยู่ก็มีผมเป็นขาประจำอีกคนประภาสีกับผมแทบจะไม่มีเวลาได้พูดคุยกันเลยวุ่นอยู่แต่กับเหตุวิบัติตลอดเวลา เจ้าของบ้านได้จัดสถานที่ให้ตำรวจอยู่ที่ลานบ้านเพื่อจะได้เคลื่อนไหวได้ทันการถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมเองก็นอนอยู่ที่เก่าแล้วก็มีไฟฉายอย่างแรงไว้ด้วยในคืนนั้นประมาณสักสามทุ่มก็มีเหตุวิบัติเกิดขึ้นอย่างผิดหูผิดตาคือต้นไม้ใหญ่เหล่านั้นก็เกิดยวบยาบไหวตัวคล้ายกับมีพายุแล้วก็ค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นอึงคนึง ตำรวจออกวิ่งว่อนฉายไฟฉายไปตามดงไม้นั้นผมเองก็วิ่งชิดขอบลูกกรงเฉลียงช่วยฉายไฟไปทั่วและเจ้าบ้านก็ฉลาดเฉลียวแอบติดสปอตไลท์ไว้หลายดวงเปิดสว่างจ้าแต่ก็ไม่มีใครเห็นที่มาของเหตุนั้นเห็นแต่ความปั่นป่วนก้อนดินก้อนอิฐก็ปลิวว่อนร่วงทั่วลานบ้านตำรวจถึงแก่วิ่งหลบกันวุ่นวายและบัดนั้นเองก็มีเสียงคนร้องอยู่ที่ถนนหน้าบ้านว่าถูกปาด้วยอิฐ ตำรวจได้วิ่งไปเปิดประตูบ้านออกไปพบก้อนดินเกลื่อนถนนมีรถ3ล้อสองคันร้องว่าถูกขว้างแต่ไม่เจ็บปวดอะไรมากนักความอนละเวงนี้ตำรวจเห็นอยู่กับตาและประสบด้วยร่างกายลานบ้านกว้างใหญ่และโล่งโถงถ้าคนในบ้านจะทำขึ้นก็ต้องเห็นเพราะว่าไฟสว่างทั่วทั้งบ้านตำรวจจึงพูดไกลเกลี่ยกับพวกสามล้อให้สงบลง3มล้อก็เชื่อฟังเพราะเห็นอยู่ชัดๆว่าตำรวจก็อยู่ในบ้านแท้ๆ คนในบ้านจะทําการคว้างปาได้อย่างไรกันและเมื่อตํารวจกลับเข้ามาในลานบ้านแล้วก็มองเห็นพุ่มไม้ใหญ่นั้นลู่ยุ่บยาบดูด้วยตาเหมือนมียักษ์ตัวสูงใหญ่ยืนเอามือลูบแล้วก็ปาดยอดไม้เล่นตํารวจชักจะวุ่นวายเรียกพวกกันเข้ารวมกลุ่มดูดูว่าตํารวจชักจะรู้ว่าความวิบัตินั้นมันเกิดมาจากอํานาจของอะไรเขาเห็นชัดแกตาของเขาเอง บิดาของประพาสีหยิบปืนลูกซองกะจะกระหน่ำไปที่ดงไม้นั้นแต่ว่าตำรวจได้ขอร้องไว้ตอนดึกของคืนนั้นเหตุการณ์ได้เงียบลงเองทั้งคนในบ้านแล้วก็ตำรวจก็ได้หลับนอนกันตลอดรุ่งเช้าตำรวจกลับไปรายงานที่ทางการส่วนทางผมก็ห่วงทางโรงเรียนต้องกลับกรุงเทพประพาสีก็ห่วงการเรียนจึงกลับพร้อมกับผมขอให้ทางบ้านคุ้มกันเหตุวิบัติไปก่อน ผมขอร้องว่าขอรถจิบเล็กผมสักคันหนึ่งจะรีบไปรับผู้ที่จะมาแก้ลํากับเขาบ้างเหตุการณ์ที่เห็นนั้นใช่แน่เลยว่าจะเป็นการกระทำของปีศาจและมีผู้กั่นแกล้งเราอย่างเห็นได้ชัดผมได้รถจิบดังขอผมขับมาที่กรุงเทพไปส่งประภาษีที่บ้านพักของญาติแล้วจึงบึ่งกลับเข้าวัดระฆังเพื่อที่จะรายงานเหตุการณ์กับคุณนพอย่างถี่ถ้วนตามที่ได้เห็นมาอีกทั้งให้เหตุผลต่างๆเพิ่มเติม คุณนบนิ่งฟังอย่างสุขุมถามบ้างอะไรบ้างอย่างเพียงพอแล้วก็สั่งให้ผมเตรียมตัวถือจดหมายไปหาเพื่อนเกลอก็คือในชิดในชวนที่สีราชาในวันรุ่งขึ้นในชิดในชวนนั้นเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทของคุณนบจริงๆพออ่านจดหมายแล้วสองพี่น้องก็จัดแจงข้าวของในพิธีเกี่ยวกับพูดผีปิศาจลงกระเป๋าอย่างพร้อมมูลเหาะเล้วมากับผมถึงกรุงเทพผมตรงไปส่งข่าวประภาสีก่อนให้เตรียมตัวไปนครนายกเมื่อมารับ แล้วก็เลยพร้อมพาพี่น้องสองเสือมาพบกับคุณนพเพื่อหารือในพิธีการกันส่วนผมไปตรวจงานที่โรงเรียนมอบหมายการงานกับผู้ช่วยและบอกครูพยุงว่าผมเองก็จะต้องยุ่งกับเขาหลายวันหน่อยรุ่งเช้าจึงจัดแจงของออกเดินทางคุณนพต้องตามไปดูพิธีด้วยผมขับรถจิบมารับประภาษีแล้วก็ดิ่วไปทางออกใหม่เพื่อเป็นการถือเคล็ดไม่เดินทางออกไปทางเก่าที่เคยไป คนบสั่งเดินทางลัดเข้าริมคลองลังสิตไปเลี้ยวเข้าทางนครนายกด้านโน้นในคืนวันแรกเราตั้งท่าสังเกตการกันก่อนเจ้าของบ้านก็จัดที่นอนให้พวกเราที่เฉเลียงที่ที่ผมเคยนอนอยู่ก่อนในคราวนี้ตำรวจก็ยังคงมีอยู่อีก 2- อสาคนเพราะว่าในระยะที่ผมกลับกรุงเทพทางบ้านนี้ก็มีวิบัติตามเคยจึงต้องพึ่งตำรวจอยู่ไม่ขาดส่วนเรื่องก้อนอิดก้อนดินก็มาตามเคยและก็เป็นอย่างเก่า ประเภทลมหอบดินแล้วก็หอบอิฐไปโปรโยท่วมในบ้านแล้วก็ถนนหากแต่ว่ากลางคืนคนไม่ค่อยผ่านทางนั้นซะแล้วเข็ดขยาดกันเปลี่ยนเป็นเดินทางถนนอื่นค่ำลงถนนนั้นก็เลยเงียบวังเวงไปด้วยนายชิดในชวนต้องการความสบายใจเขาก็เลยต้องดื่มเหล้าให้จิตใจคึกขนองเจ้าของบ้านก็จัดการให้เป็นอย่างดีผมก็เลยรวมกลุ่มอยู่กับพวกเขาด้วยเมื่อรวมขากันแบบนี้แล้วเราก็นั่งเล่นกันที่เฉลียง รู้สึกว่าไม่ค่อยดึกมากนะักความวิบัติก็เริ่มต้นและก็เป็นอย่างที่เคยเป็นต้นไม้ใหญ่สำแดงเดดก่อนแต่ก็แปลกกว่าไปอีกที่ว่าคราวนี้แผ่นดินกระเทือนหนักเอากับแผ่นดินไหวทุกคนตกใจกันหมดยกเว้นแต่สองเสือพี่น้องดูเข้าเฉยเฉยนิ่งๆผมพยักหน้าบอกให้เขาดูความอนละเเวงเขาก็พยักหน้าตอบ ทั้งไฟฉายไฟสปอตไลท์ของเจ้าบ้านก็สว่างไปหมดแต่ก็มองไม่เห็นอะไรตามเคยแผ่นดินสนั่นคล้ายกับมีคนวิ่งไล่กันเล่นตำรวจสองคนยืนพาว้าพะวังพายุไม่มีแต่มันเป็นอะไรปล่อยเขาคืนนึงละกันรพรุ่งนี้ขอตรวจให้ทั่วในชวนพูดผมคิดถึงตำรวจแล้วก็สงสารเห็นอกเห็นใจเขาอย่างยิ่งเขาก็จำใจต้องมาทำตามหน้าที่ของเขาเหตุการณ์มันก็บอกชัดอยู่แล้วว่ามันเกิดด้วยแรงของอะไร ผมก็เลยตัดสินใจเรียกตำรวจขึ้นมานั่งคุยข้างบนกันก่อนดีไหมครับอะดีครับอีกคนรีบตอบรับผมก็เลยถือตัวเป็นเจ้าของบ้านเปิดประตูรั้วให้ทั้งสองขึ้นมาข้างบนผมก็รู้สึกว่ามันแย่อยู่เหมือนกันนะครับ2คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยตำรวจบ่นขึ้นพวกคุณเห็นว่าเหตุแบบนี้มันเป็นอะไรกันแน่หรอครับก็อย่างที่เห็นนั่นแหละมูมันก็ชัดเจนอย่างไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วนั่นนะสิ ผมก็ไม่รู้ว่าท่านสารวัตรจะว่าอย่างไรท่านไม่มาเห็นเองหมู่คนนั้นพูดหมู่รายงานไปตามความที่เห็นก็นแล้วกันหมู่กับผมก็เห็นมาอย่างนั้นหลายวันกันอยู่แล้วผมพูดผมมาเฝ้าที่นี่อยู่ก็เท่ากับมาเป็นพยานเท่านั้นหละครับตำรวจว่าจะมาคุ้มกันอะไรก็หาใหม่ก้อนอิดก้อนดินนั้นจะมาจากไหนก็ไม่มีใครรู้ถ้าไปถูกคนเดินถนนเข้าก็มีเรื่องจะปิดถนนก็ยากครับมันเป็นถนนหลวงแท้ๆ ในหมู่ผู้อย่างอ่อนใจพวกเราก็ไม่ได้บอกกับเขาว่าเรามีแผนการอะไรมาบ้างพูดไปมันก็ไม่มีอะไรพิสูจน์เสียปากนิ่งดีกว่าเหตุการณ์สงบลงบ้างแต่ก็มีบ้างบางคราวที่สุนัขหลายตัวหอ r n กันครม่มถมเถววิ่งไล่กันไปตามหมู่ไม้แล้วก็วิ่งกลับหนีมาผมมือไวฉายไฟไปเลยแต่ก็ไม่มีวี่แววอะไรแหมอยู่ข้างบนนี่คอยยังชั่วหน่อยนะครับตารวจบ่นอ๋อย ก็อยู่กันข้างบนนี่แหละนะคุยกันบ้างนอนกันบ้างตามสะดวกคุณนบพูดแล้วก็จุดบุรีดูดรุ่งขึ้นเมื่อเสร็จอาหารแล้วตำรวจกลับไปรายงานตามหน้าที่เราทั้งหมดก็ลงเดินตรวจแถวใต้ต้นไม้ใหญ่ในชิดเอาไม้ตะพดเที่ยวเขีย ด, ดินที่ไม่เรียบคล้ายกับสงสัยว่ามีอะไรมาฝังไว้แต่ว่าในชวนเดินนิ่งพนมมือแค่อกทำปากขมุบขมิดไปตามขาที่ก้าวไปแต่ละก้าวครู่หนึ่งในชวนก็พูดว่าเอาลก ในการลคขาเดินกลับมาเนี่ยขอให้ทุกคนช่วยกันเดินแงนหน้าดูตามกิ่งไม้แล้วก็คบไม้นะพบอะไรแปลกตาก็ให้หยุดเดินในชิดพยักหน้าเข้าใจดีพอเดินไปถึงต้นนึงก็หยุดแงนดูแล้วก็ร้องขึ้นว่าคุณสมัยไปเอาไม้มาสอยผลไม้ทีเอาอันยาวๆด้วยนะผมออกวิ่งอ้อมไปทางบันไดหลังเรือนแล้วก็เลือกเอาไม้สอยที่มีตะกร้าปลายไม้มาผมรีบสอยสิ่งที่เห็นโดยเร็ว มันเป็นชิ้นอะไรก็ไม่รู้เล็กๆมีสายเชือกคล้ายกับป่านว่าวแต่ว่ามีสีดำผูกเป็นชิ้นเล็กๆนั้นห้อยอยู่เมื่อสอยลงมาแล้วต่างก็ดูกันทุกคนมันเป็นแผ่นไม้เล็กๆแกะเป็นหน้าผีอย่างหยบๆแล้วก็มีเลขยันอะไรสามตัวในชวนรีบเอาเข้าห่อด้วยผ้ายันเล็กๆที่ติดกร ะ, ะเป๋ามาเราค้นไปจนทั่วทุกต้นไม้แล้วก็ได้ภาพผีนั้นมาห้าชิ้นในชวนเอาเข้าห่ออย่างรีบเร่ง มันใช้วิธีคว้างไอ้นี่เข้ามาติดตามยอดไม้ในชวนพูดแล้วก็หวัวเราะมันถึงได้สำแดงเดตตามยอดไม้มากกว่าที่อื่นไงอมีการทำกันแน่อย่างที่เขาคิดกันไว้เลยคุณนบพูดไปหาเจ้าบ้านกันเถอะปะเมื่อขึ้นเรือนแล้วเราก็รายงานเรื่องให้เจ้าบ้านทราบบ้างตอนนี้ต้องดื่มเหล้าฉลองกันซะแล้วเราชนะอย่างเด็ดขาดในชวนว่า ครั้นจัดเล่ากันมาตอนกลางวันนั่นในชวนกับในชิดก็ช่วยกันดื่มเหล้าอย่างสบายอกสบายใจแล้วก็วางแก้วลงพร้อมกับพูดกับเจ้าบ้านว่าเอาละครับคืนนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วในชวนพูดอย่างแน่ใจและมั่นใจในวิชาของเขาที่นี้ผมอยากทราบนะว่าญาตกลุ่มหนึ่งที่คุณสงสัยใจน่ะเขาอยู่ที่ไหนอ๋อถัดไปจากบ้านเรานี่สมบ้านเดินถนนไปก็เห็นอยู่ริมถนนเหมือนกัน เดินไปชายน้ำก็ได้อีกทางหนึ่งนะเขาก็อยู่ในลักษณะเดียวกันกับเรานี่แหละเจ้าของบ้านบอกในชวนหันไปดูหน้าในชิดเอากับเขาบ้างสินะเราลงมาแล้วก็ต้องเอากันละทํามาก็ทําไปในชวนพูดกับในชิดแล้วก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนานอ้อคุณครับเย็นนี้ต้องหาไม้สร้างเป่านกให้ผมหนึ่งอันนะแล้วก็ขุดดินเหนียวให้ผมก้อนหนึ่งอย่าลืมนะครับต้องหาให้ได้นะ ในชวนสั่งเจ้าบ้านแล้วก็เดินไปกระซิบอะไรกับในชิดแล้วลงจากเรือนพยักหน้าชวนผมลงไปด้วยในชิดเป็นผู้กระทำการเดินไปก้มกำทรายตามพื้นสาดไปทั่วบ้านแล้วก็ชวนให้ญาติของประภาสีออกเดินไปทางชายน้ําไปชี้บ้านฝ่ายโน้นให้ดูญาติของเจ้าของบ้านได้พาในชวนหายออกไปจากนอกรั้วชายน้ําอยู่ครู่เดียวก็กลับมาคืนนี้เอาบ้างละในชวนพูดแล้วก็ยักคิ้วกับในชิด ตกเย็นเรากินข้าวกินปลากันแล้วในชวนในชิดก็เตรียมตัวเรื่องไม้สางเป่านกกับดินเหนียวพอพลบค่ําในชวนก็เรียกผมกลับในชิดออกไปหลังบ้านด้วยกันเดินเลาะไปตามชายน้ําส่วนคุณนพนั้นให้อยู่คุยกับเจ้าบ้านไม่ยอมให้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่ควรเราคลําความมืดไปตามทางเดินชายน้ําครู่หนึ่งในชวนก็หยุดยืนมองไปข้างหน้ามีบ้านบ้านหนึ่งที่มีรั้วบ้านแข็งแรงอย่างเดียวกับบ้านของพวกเรา ในชวนปั้นดินเหนียวอย่างเงียบๆแล้วก็ยัดเข้าไปในลำไม้สางแล้วก็ยกขึ้นเป่าไปยังหมู่ไม้ที่อยู่ข้างหน้าเขาเป่าไปหลายลูกแล้วก็โยน ก, นก้อนดินเหนียวที่เหลือทิ้งน้ําก็เลยชวนกันเดินกลับแวะทักทายพูดคุยกับผู้เชาราาที่เฝ้าประตูหลังบ้านนิดหน่อยแล้วก็เดินกลับขึ้นเรือนคืนนี้บ้านเราจะเงียบเรียบร้อยอยังไงก็รอฟังข่าวบ้านนู้นก็แล้วกันนะครับในชวนพูดกับเจ้าบ้านแล้วสองพี่น้องก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนานด้วยความมั่นใจ เจ้าของบ้านก็หัวเราะด้วยความดีใจที่บ้านตัวเองจะสงบเงียบเราก็เลยนั่งคุยกันไปแล้วก็คอยดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ตำรวจไม่ส่งคนมาคุมเหตุการณ์เพราะเชื่อว่าทางบ้านของเราไม่ได้ก่อการอะไรหากจะเกิดด้วยความประหลาดที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเท่านั้นจึงสั่งงดการมาควบคุมในคืนนั้นและก็เป็นการหน้าประหลาดนักที่เหตุการณ์สงบจริงตามคำพูดของในชวนดังคำประกาศสิทธิของผู้ยิ่งใหญ่ ทุกคนนอนหลับกันตลอดคืนพอตอนรุ่งขึ้นตอนสายๆหน่อยพวกเราทั้งหมดก็ลาเจ้าของบ้านกลับเพราะว่าเกี่ยวกับต่างคนต่างมีธุระติดตัวอยู่ทุกคนเจ้าบ้านจึงจัดรถคันใหญ่ให้ขับมาส่งเราที่กรุงเทพยังไงคุณก็ต้องส่งข่าวมาให้ทางเราทราบบ้างนะครับถ้าหากว่าทางพวกเขาจะมีอะไรกันบ้างแต่ว่าไอเนี่ยเขาชูผ้ายันที่ห่อตุ๊กตาผีให้พ่อประพาสีดูผมจะจัดการแก้ลำกับเขาบ้างพอหอมปากหอมคอ พูดแล้วก็หัวเราะเอาห่อพยันกลับใส่กระเป๋าเราเดินทางกลับถึงกรุงเทพกันแล้วหลายวันทางบ้านประภาสีจึงส่งข่าวมาที่ประภาสีว่าทางบ้านของพวกเราเนี่ยไม่มีอะไรแล้วสงบดีทุกอย่างแต่ว่าทางบ้านฝั่งโน้นเกิดโกลาหลเช่นเดียวกันกับที่บ้านเราเคยถูกต้องไปสถานีตำรวจเช่นกันเพราะว่ามีก้อนอิดก้อนดินไปโปรยใส่พวกชาวเรือทางชายน้าหัวปูดหัวโนกัน คุณนบอธิบายว่าทางฝั่งโน้นให้หมอผีทำภาพแกะสลักผูกเชือกโยนเข้ามาในบ้านเราก็พอจะค้นหากันได้แต่ฝ่ายทางนายชวนกับนายชิดเนี่ยตอบไปเป็นดินเหนียวเป่าไปด้วยไม้สางก็ย่อมจมดินจมทรายหาไม่พบแน่ถ้าเป่าไปติดต้นไม้ก็แห้งอยู่ใครๆก็คิดว่าดินไม้สางที่เด็กเป่านกที่ไหนจะแกะจะเก็บไปแก้อาถรรพ์กันได้เรื่องอย่างนี้ถ้าลงถูกแก้ลำจะกลับเข้าตัวผู้ทำไว้ก่อน ลำบากมาก